พระเจ้าถ้าใครมาทำวัดสุดมนต์นอฟังหลวงพ่อเทศตอนลัตอนเช้าหลวงพ่อทันเตศหลน้อมมาในคำพูดท่านก็พยายามชี้ะนะชี้ว่าเราปฏิบัติธรรมนะควรทำกันยังไงถึงจะได้ผลมีผลของการปฏิบัติแล้วก็ชี้ จริงๆพูดจริ ง, รงแล้วมันไม่มีคําพูดหรอกถ้าเป็นสภาวธรรมจริงเป็นปรัตญาสภาวะจริงๆไม่มีคําพูดจริงแต่การที่เราสมมุติสื่อพูดมันทําให้บางคนเกิดปัญญาจากการฟังแล้วก็น้อมปฏิบัติมีผลจริงๆบางคนก็ฟังตีความไปมันไม่ใช่ทางเดินก็ได้เหมือนกัน ฟังให้ดีได้ปัญญา <c oughs> ฟังไม่ดีก็เกิดปัญหา <c oughs> ทำจิตใจกรลอยพลอเป็นผู้ฟังเมื <c oughs> ่อกี้เราสวดถึงคำเตือน <c oughs> พระองค์ก็ได้เตือนว่า อ, อ, อย่าประมาท <c oughs> ทำที่จะให้เกิดความไม่ประมาท <c oughs> เรากำลังปฏิบัติกันอยู่นี่แหละคือการมีสติ <c oughs> แล้วก็สติม่ใจสันตชญาณ เป็นสติปัฏฐานสติคือการระลึกรู้รู้สึกตัวรู้ตัวรู้ตัวมันก็ทำให้เกิดความไม่ประมาทอารมณ์ามากระทบเราจะไม่รีบมีความคิดเราก็ปรุงแต่งไปมากมายเหมือนกับที่เราเคยปรุงมันก็จะช่วยส ก, กัด ใช้ทำให้จิตใจของเรามปนปกติ mm hmm. แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็มาไปเกิดดับ mm hmm. มีการเคลื่อนไหวมีการนิ่งของมัน mm hmm. มันเป็นพลัง mm hmm. พลังของรูปพลังของรถพลังของกลิ่นพลังของเสียงมีหน่วยวัดอย่างเสียงนี่เป็นเดซิเบลนพลังงานของมัน mm hmm. เสียงดังๆแค่หูแตกได้ mm hmm. มีการไหวมีการหยดเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้ า, ฟ า, ฟาแลบแสงอย่างเงี hmm. ้ยจ้ามากๆลองมองดูตามไม่บอดทํารู้ไปพลังของแสงมันมี mm hmm. ความคิดก็เป็นคลื่นเหมือนกันพลังอยู่ในตัวเรา mm hmm. วัดกันได้อยู mm hmm. ่นี้เราก็มีความรู้สึกตัวนะรู้สึก อันนี้ก็เป็นกราะความรู้สึกตัวคือตัวกายเราลึกได้รู้สึกตัวที่กายของเราโดยเฉพาะแบบฝึหกหัดเบื้องต้งนก็ทําให้เกิดความไม่ประมาแล้วก็ปลอดภัยสูงสูงที่สุดเลยก็ว่าได้ในความปลอดภัยนี่ไปอะไรไม่ร้ายท่าเราไม่รู้สึกตัวหรอกทุกอะไรที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดทั้งสิ้นไม่เท่ากับเราวางใจไว้ผิด วางใจไม่ถูกต้องไม่ได้เห็นตรงๆลงไปตรงตามความเป็นจริงตรงนั้นจัมีพลังของไอพลัง5อยู่พลังของความเชื่อพลังของปัญญาพลังของความขยันหมั่นเพียรวิรยญาณพลังของสมาธิพลังของสติปัญญามันมีอยู่ความเป็นปกตินั่นแหละมันเป็น สิ่งแวดล้อมนะที่ยอมหน่วยนะให้เราได้ปฏิบัติการใดๆก็มีความสำเร็จนะเกิดปัญหาต่างๆนี่ผ่านได้มันจะรู้อยู่ ป, ปัญหาถูกเปลี่ยนเสร็จแล้วจะหอหีบปัญหาหงุดเงิดหอหีบนะหงดงิดหอหีบนำ้ำหรือว่างุ่นงาน มันมีอะไรมากมายแล้วเกินประเภทกลุ่มงองอหอหอปัญหาเหี่ยวแห้งหิวโหยหึ ง, ห, งห่วงหดหูเป็นอาการของปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาหอหีบหอหีบแล้วก็เปลี่ยนเป็นยอยักษ์เป็นยาเลยเพายามีสรรพคุณช่วยรักษาโรคยาไสยาเรือ รูรัวว่วตรงไหนอุดเหมันก็บลอยลำอันนี้ยอหญิงก็เป็นปัญญาปราพ้นทุกยืดหยุ่นเคยเถ่นตรงหักดําปลาได้ครับยืดหยุ่นยินยอมไม่ยอมไม่ยอ ม, มก็เออไม่ไปแย่ยอมยอมยอมยอมผู้ที่ยอมเป็นผู้ที่เข้มแข็งเป็นผู้ที่ชนะคนที่ ชนะเราคือผู้ที่ยแพ้เพราจะ น, นะกิเลสตัวเองนะนะแต่ไม่ช น, นะคนอื่นยอมยอมยอมยอมยืนหยัดมันไม่เคยยือนยัดตั้งมัน่นเราก็ยือนยัดขึ้นมาตรงต่อความจริงตรงต่อศาสนาก็ยยเย็นเคยล้นลุ่มลุ่มนะปัญญาก็พาไปเป็นแบบนี้แล้วเราก็ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือในการดำเนินชีวิต ใชชีวิตได้เกิดกำไรเป็นความผาสุกสติปัญญาพาไปความรู้สึกตัวพาไปมันก็จะต้องเห็นร่องเห็นรอยกันอันนี้พูดไม่ได้พูดไปก็จะไม่ตรงต้องเคลื่อนไหวสัมผัสฟังเอาไม่ได้แต่ถ้าน้อมก็มาใส่ตัวสรุปจับประเด็นให้ตรงๆเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึก ถ้าเราเกอนไหวอยู่เดินจงกรมนั่งสร้างใช่ า, าไม่ไปไหนหรอกมาล่องนี้อยู่แล้วไม่เผลอไม่หลงที่หลงทางไปหลวงพ่อตาเกตได้ฟังชัดๆว่าถ้าทําแล้วรู้แล้วไม่ต้องทํานะเดินจงกรมยกไม้ยกมือนี่ถ้ารู้แล้วไม่ต้องให้ลองทําหรอกให้รู้ให้ต่อเนื่องตลอดเวลาในทุกๆ ก, กิจกรรมแต่ต้องรู้แล้วนะต้องรู้แล้ว ยังไม่รู้ยังสงสัยยังสับสนอั น, นั้นก็ต้องเริ่มต้นละจะทําอะไรก็ทำสักอย่างนึงการเจริญสติปัฏฐานมันมีหลายวิธีการหลายรูปแบบว่าเลือกพักอย่างแต่มาที่นี่เขเลือกที่จะทําตามที่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านเคยรู้โดยการแบบนี้มาเคลื่อนไหวนาลูกผู้เทียนเรียนตามพ่อกว่าตามครูปไป บางคนอา จ, จะบอกเออฉันฝึกดูจิตแต่มาใสา่สถานที่วัดป่าสุกโตมันกจ็จะไม่ฉลาดไปหน่อยนะฮะหรือพูดตรงข้ามคิดแบบแง่ตนข้ามมันจะไม่ฉลาดน้อยเกินไปหน่อยเหรอเพราะว่าวิสัยบัณฑิตเขาเมืงตาเหลียวเวตาตามอยู่กลมกลืนอานาปาร์ต้องไปสวนโมกดูจิตต้งไปโน้นสายของอะไรล่ะจันทร์โปรโมทสายปุรุล พองยุบเอาไปเย่อใยไปหมดนะยุบหนอพองหนอสัมมาลางกันนูธรรมกายศีลพระตับปลามาาต่างๆเก่งคัดในศีลก็ไปสันติอโศกแต่มาที่นี่มันเน้นอยู่แล้วก็คือไหวรู้สึกก็ตรงๆเราไม่ได้ไปก่อความวุ่นวายหรือพยายามไปเป็นเจ้าลัทธิไม่ใช่หรื่อมาสังเกตการจะมาสังเกตการต่ออะไรมิโยนอะไร รู้แล้วก็บอกเลยตั้งตำนักนะันะไม่แอบแฝงนะมาอยู่ที่นี่ตรงๆก็คือวัดป่าสู่ตัวเราสร้างมาโดยพระที่ก่อตั้งแล้วพระบนธรรมหลวงพ่อมเขียนแล้วก็เมื่อเช้าท่านเทศว่าเออถ้ารู้แล้วไม่ต้องปฏิบัติธรรมแต่ปีเนี้ท่านเทศว่าไม่ได้เนะีเชี่ยให้เราได้ปฏิบัติในรูปแบบแต่ท่านนะทําในรูปแบบตลอดเราไปดูเถอท่านนั่งทําอะไรนั่ง ก็ยกมือให้เราดูเช้าทำอะเดินจงกรมปีที่แล้วที่ผ่านมาโน่นบอกให้ทําในรูปแบบเยอะๆแต่ท่านก็ไม่ได้ทำนะมาปีนี้ท่านทำเยอะจริงๆแต่คำพูดท่านบอกไม่ต้องทําไม่ต้องทํามันอยู่วัดอยู่ว่าดูให้มันหลาแง่ไหลายมุมแล้วก็ฟังให้มันครบตั้งแต่ต้นจนจบนะไม่ใช่ฟังประโยคถูกใจแล้วใส่เครื่องหมายถูกที่บุคูบาจารย์ก็าวางกับดักไว้หลายชั้นนะ ก็ฉลาดลึกล้าเลิศนงเพราะฉะนั้นเราอย่าหลงประเด็นว่าป่าสุโตเนี่บอกเลยมันเกิดขึ้นมาได้กับว่ากรรมฐานไงที่คนมาแห่กันมาตึมตุมตุมๆทุกวันเนี่ยเพราะกรรมฐานไงใช่ไหมที่มากันนี่เพราะอยากมาปฏิบัติกรรมฐานใช่ไหมใช่ไหมใครว่าใช่ยกมือแล้วเออนะนะวันนั้นเราพากันใส่เกียร์ลุยเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าคือเคลื่อนไหวรู้สึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นมามันก็จะกลายเป็นอารมณ์ที่มันสอนเราละบอกทิศบอกทางมากมายเหลือเกินหนึ่งสิ่งที่ทำแล้วไม่เป็นโทษเลยไม่เสื่อมเลยเมื่อ เ, เช้าหลวงพ่อท่านเทศตอนที่รับประทานอาหารเช้านางอะไรนี่หูฟังดีๆนะได้ยินเราจะมาเดินมาตักข้าวทีหลังกก็ได้ยินได้ยินว่าท่านพูดว่าอะไร เสียงธรรมในฟังชัดมากเสียงอื่นฟังไม่ค่อยชัดแล้วเจ็บหูหมดเสียงเขาบ่นก็ น, นินทาเข า, เาคนนั่นคนนี้คนโน้นไม่ได้ยินหรอกได้ยินก็ไม่จำเลืมเก่งเรื่องนั้นแต่เรื่องที่ไม่ลืมคือความรู้สึกตัวลืมยากลืมเมื่ไหลท่าเราประมาทลืมเมื่ไหลว่าเราไม่รู้ว่าตัวเราเองรู้สึกตัวอยู่นั่งอยู่จิต ป, ปกติไม่ปกติเช็คไม่ทันมันก็เท่าเราทุกแล้ว ภพชาติของจิตเป็นอะไรไปแล้วไม่รู้นะเรามาอย่างนี้แล้วเราก็ต้องเรียกว่าเดินให้มันเรียกว่าไวที่สุดแล้วหลวงพ่อมเขียนท่านใช้ก็ว่าก้าวกระโดดนะไปแบบก้าวกระโดดเลยนะกอดมงกุธธรทำ ม, นะมันเป็นขนาดนั้นเลยนะแล้วถ้ามีคําต่อด้วยฮัทไทด้วยเราเรียนแบบรัดๆเลยก้าวกระโดดกอดมงกธธรทำด้วยฮัทไทยนะ ได้จิตได้ใจของเราเราไม่เฉยียศูนย์หันไปทิศทางอื่นทาที่ทําให้เกิดความไม่เสื่อมเนืงประมาณในการบริโภคสำรวมให้ดีๆตาหูจมูกลิ้นกายใจวิจิตสังวรประมาณในการนั่งการเดินการยืนการนอนแต่พอดีให้พอดีก็วะอะไรเรียกว่าพอดีคือไม่ใช่ดีแล้วพอแกไหนมันดีก็ไม่มีใครรู้หรอก แต่ที่มันไม่พอเพาะมาเข้ามาก็เปลดนะเป็นอย่างนั้นภูมิเป็นเปลดไปเลยแต่ถ้าพอดีพอดีก็เราสังเกตได้นั่งเดินยืนนอนมันรู้สึกผ่อนคลายสบายสะดวกรู้สึกว่าเออมันผ่อนคลายสบายสะดวกมันไม่เหมือนกับถูกบังคับไม่เหมือนกับบังคับตัวเองจนกระทั่งมันเครียดนะมันรู้สึกว่าเออ ไม่ได้มีปัญหากายบุนั่งเดินยืนนอนได้ว่ายกมือสิบสี่ไหวทำได้เรื่อยๆไอ้สิ่งนี้ในจิตไม่เคยทำร่างกายขอเราไม่เคยถูกสติมันฝึกให้จิตอยู่กับกายด้วยรูปแบบเพราะนันมันจะแสดงตัวได้ไวจิตก็มีพื้นของจิตยังไงมานิสัยความเคยชินคุ้นชินหวยห้สัยสันดานแน่นอนคนขี้เกียจก็ขี้เกียจยกคนชอบง่วงนอนก็ยกนิดเดียงวง่วงคนพวกนี้นอนเก่ง จะซึมซึมหนักหนักเมืนเมนไม่ฉลาดหรอกอย่างเงี้ยบอกเลยมันจะฉลาดได้ไงการนิวรัตมันครอบอยู่มันจะจิตผ่องใสทํางานทําการก็ยากแต่ว่าการมีสมาธิอยู่ความง่วงนี่ทําได้ก็ฝึกแช่อยู่ความง่วงซึมก็รั่วซึมง่วงรั่วง่วงโยกแยก็รั่วโยกแยกไปแต่ไม่รู้อะไรนะพอนั่งวันใหม่เริ่มต้นใหมก็ตกลองเดิมอีกนะ จะตกลองนั้นไอ้จิตจะไม่ตื่นไม่เกิดปัญญาสว่างสวยไม่เกิดยังไงก็ไม่เกิดติดติดขัดขั ด, ขดไปแต่ว่า<ม>อยู่ได้อยู่รอดไปกลมกลืนไปวันวันอยู่ได้สบาย<ม>แต่จะไม่มีปัญญา<ม>ทีนี้อีกตัวก็คือลักษณะของสิ่งที่ทำและไม่เสื่อ ม, มก็คือ สร้างทำที่เป็นเครื่องตื่นให้ได้ทําอันไหนที่เป็นเครื่องตื่นเรายกมืองที่บอกจะให้มันตื่นมันหลับแตนะ่ว่าคนใหม่ๆนแน่นอนที่สุดนะแต่จะว่าแต่คนใหม่แล้วคนเก่าก็เพ็นนะถึงจะปฏิบัติเข้ม40วันก็แน่นอนนะนั่งก็ง่วงเดินก็ง่วงมาทําไงถึงจะเป็นเครื่องตื่นไม่จะเป็นเครื่องหลับนะรูปแบบปฏิบัตินะ รูปแบบฝึกเนี่ยเป็นเครื่องตื่น14บสี่ใะเดินจง ก, กรมตื่นตัวเห็นกายตื่นกายเห็นใจตื่นใจเราคือสติแต่เห็นกายก็งงเห็นจิตก็งงโอ้มันไม่ใช่แล้วมันเรียกว่าสอบตกสอบตกสอบตกซ้ำชันซ้ำชันซ้ำชันภาวิาบัติมาล่องเนี้ยภาิบัติมาล่องเนี้ยเราก็หมดวันหมดวันรูปเป็นยังไงนามเป็นยังไงไม่รู้จักฝ่ามองกมาทิศทางไหนไม่รู้จัก โดยท่วพอมันมาแล้วก็เฉยใช้ไปทำนั่นทำนี่ทำนวนไปอันนี้ก็ถือว่ามันสะดุดมันหยุดมันไม่พัฒนาที่ทำมาทั้งหมดเเห็นว่ามันทำแล้วัตื่นมันหลุดทุกทีมีความง่วงก็หลุดความง่วงมาปั๊บเห็นปุ๊บมาปั๊บเห็นปุ๊บรู้เท่ารู้ทันกลายเป็นว่าไม่รู้จะมาทำไมความคิดก็เหมือนกันแหละ มาปับ๊บรู้ทันมาปั๊บเห็นแล้ว <c oughs> มันก็เลยเออเฉยๆไปเลยปกติตื่นๆมันก็ตื่นดี <c oughs> พัฒนาสนใจนะ <c oughs> การทำในรูปแบบเนี่ย <c oughs> แล้วท้ายสุดผมทำได้นะรันเนียโอ้มันพัฒนาดีจังเลยจะทำอะไรอยู่ตรงไหน <c oughs> เหมือนอยู่คนเดียวในโลก งานตางานการที่จะต้องทํามีเยอะเหลือเกินไอ้นั่นก็น่าทำไอ้นี่ก็น่าทำแต่มันก็เลือกอยู่มันจะไม่ได้ขวนขวายทําทุกอย่างว่าพระวินัยมันเยอะเหลือเกินแต่เป็นพระสองเนี่ยวินัยเนี่ยครอบคุมไม่ให้ทําอะไรเลยขุดดินก็ไม่ได้นะอาบัตชี้คนขุดดินอย่างนี้ก็อาบัตขุดเป็นหลุมเป็นร่องก็อาบัตสมัยก่อนมันมี พระเจ้าพิมพิสารพระสงฆ์ก็ไปขุดดินทากุฏิกัน<ม>เสร็จแล้วก็เป็นหลุมตรงนั้นหลุมตรงนี้หลุมมาเดินไปก็ตกกันทีกันนี่เ้พระสงฆ์เนี่<ม>เราเลี้ยงดูแหวรวัน<ม>ยกให้เป็นวัดแล้วทาไมมาขุดมาทำอะไรกัน<ม>ก็เลยไปทูกลกราบกับพระพเจ้า สแสดงถึงปัญหาที่มเกิดขึ้นมาในใจ mm. พุทโงไปดูก็เลยสร้าง mm. ขอบัญญตัติต้นบัญญัติขึ้นมา mm. มากมายเหลือเกินพระสงค์นี่มีไว้เพื่อปฏิบัติธรรม mm. เครื่องแบบของเรา mm. แม่ชีกัเหมือนกันแหละจริงๆแล้ววัน mm. ทีเดินไปเดินมาเรามีความสุงเออใส่เอามาโรยสักหน่อยก็ดีเอาหินมาใส่สักหน่อยก็ดีเอาบล็อกปูสักหน่อยก็ดีอันนี้ลองดูดีๆคืออะไร มันคืออะไรดูหให้ชัดเลยนะนันแหลคือหลุดจากกรรมฐานหมดแล้วนะหลุดไปหมดแล้วนะลองเคลื่อนในรูปแบบสินะแล้วมีความเคียดเพยนั้นเกิดขึ้นมาตัดกลับให้ได้นะไม่ต้องทำสี่สิบวันนี้งานการอะไรก็ไม่สำคัญสคัญหรอกนะฝนไม่ได้ตกตลอดนะแดดไม่ได้ร้อนตลอดยุงไม่ได้มาตลอดมีเวลาก็มันหมด ช่วงไหนมันมาช่วงนั้นได้ศึกษาเต็มๆพื้นก็ไม่ได้แฉตลอด ช, ช่วงไหนที่มันแฉศึกษามันวางจิตวางใจหรือว่าทำยังไงถึงจะปฏิบัติได้ต่อเนื่องใ ช, ใช้รูปแบบให้มันยืดเชื่อมโยงสัมผัสสัมพันธ์กัน ใ, ในตรงที่ว่าเก็บอารมณ์เข้มที่จะได้เห็นก็คือภาวะของจิตที่มันเผลอแวบบไปแล้วคิดแล้วปรุงแล้ว สั่งกายแล้วเรียบร้อยแล้วทําตามมันอสอบตกมันนะ่ะเพราะฉะนั้นให้เริ่มต้นดีๆปฏิบัติทำเหมือนทะี่หิวกระเป๋าไปโรงเรียนอยาวแวะข้างทางเดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวไปถึงห้องเรียนมันนะเสร็จแล้วก็ตั้งใจเรียนวิชากรรมฐานก็เป็นแบบนั้นนะนะเบื้องต้นนะแต่ถ้าารู้แล้วก็ไม่ต้องนะรูปแบบ ส, สี่ชั่งแหวกไม่ต้องจริงอันนี้จริง เพราะว่ามันมีสติดูจิตมีจิตดูจิตมีสติรู้สตินามเห็นนามนามเห็นนามนามเห็นนามแต่เริ่มต้นฝึกในสติเห็นกายนามเห็นรูปรูปมีอาการอะไรมากมายเหลือเกิ น, นมันเกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นมาดันั้นเราต้องมีอินทรีย์สังวรตาหูจมูกลิ้นกายใจสํารวม โอ้แห่งความเพียนปิดซะไม่ดูได้ไม่ดูไม่ฟังได้ไม่ฟังใส่เกียร์ลุยเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกอินสีสองวอนมันมีสติร่ำก็ะสมบวมมันเองหรอกเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกก็จะทําได้บ่อยๆจนรู้สึกธรรมดาธรรมดาเจ้าสายบ่ายค่าครบสี่สวันก็รู้แล้วโอ้สติมันเต็มจริงๆจะเจ็ดวันก็ตาม หวันสามวันลองตั้งใจดูจะไม่ทําอะไรทั้งนั้นแหละนะจะขอเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกจนรูปนามันชัดขึ้นมาสติก็ชัดขึ้นมาสมาธิปัญญาชัดขึ้นมาศีลขันสมาธิขันปัญญาขันมันอยู่ในแดนของปัจจุบันขณะเหมาะแก่การใช้งานกรรมนิโยบริสุทธิ์ตับริสุทธิทธ์กรรมนิโยเหมาะแก่การงาน งานนี้คืองานกรรมฐานก็ตั้งใจไว้ตั้งศัจจารอธิฐานเอาไว้น่าสนใจนะกรรมฐานทำไปทำไปทำไปไม่เกิดทรมากขึ้นมาเกิดทรม า, าตช้ขึ้นมาสติสีนสมาอวิปัญญามันแสดงตัวออกมาตรงความเป็นปกตินั่นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นเราได้ที่พึ่งอัศจรรย์ใจมันเป็นเป้าหมายของชีวิตเรานี่จะเดินทางไปโดยที่ไม่ต้องทุกข์ รวยโลกได้เน้นทาก็รู้แล้ว ส, สรนเซิญก็รู้แล้วมีราบเสริมราบมียศเสริมยศรู้นะมันจึงเป็นคําเตือนที่เตือนตรงๆอย่าประมาทอย่าประมาททาที่เกิดความไม่ประมาทคือสติสามัญญะสติคือการรึ้รู้สัมั ญ, ญญาคือรู้ตัวทั่วพร้อมไม่ใหม่ไม่พร้อมนะใหม่ๆมันจะรู้สัมผัสกระทบหยาบๆแต่ความรู้ตัวทั่วพร้อมมนะันรู้ทั้งทั้งเนื้อทั้งตัว อยงนั่งตอนนี้รู้ทั้งตัวรู้ทั่วสรารพานกายรู้ตัวตัวพร้อมจนกระทังมันพัฒนาไปเรื่อยยิ่งขึ้นไปคิดปรับรูปปุ๊บคิดแป๊บลูปปุ๊บนะสังขารจิตต่อสังขารรูปกายสังขารธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุลมมารู้เย็นอ่อนแข็งต่างๆไหวนิ่งมันรู้ท้ายสุดใจไหวใจนิ่งใจคิดใจปรุงแต่ง ใจปกติเออมันรู้หน่อยตรงนี้แหละเมื่อวานคาเตือนของอธิบดีกรม น, นาไม่มาเตือนบอกะระวังให้ดีประญาติใบไม้ในตับโดยปลาที่มีเก็ดปลาน้ำจืดนะกิ น, นประเภทลาบดิบๆพวกนีน้อันตรายแล้ว ในโลกนี้ที่ตายด้วยโรคก็ญาติในตับก็อยู่เนี่ยเราแวกเนี่ยอีสาน ป, ล, ปลารงปลาล้าต้องให้สุขก่อนคาเตือนผู้รู้ก็ออกมาเตือนแต่เราจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องเราอะแต่ผู้รู้จริงก็เตือนแล้วรู้ว่ากมตูนิยาผู้รู้จริงก็เตือนนเออใช้ชีวิตเนี่ยให้ระวังนะแผ่นดินมันไหวหบ่อยเหลือเกินนะ ื่อทีก็หวสึนามิเนี่ยต้องระวังเมื่อสักปีอะไรล่ะส7 4เจ7ดหสี่เจ็ดระวังนั้นนะเป็นที่ยี่สิบหกันวาคมถ้านะเกิดสึนามิขึ้นมานะประเทศไทยไม่เคยมีแนะต่คนก็คิดว่าเออมันมันไม่น่าจะมีหรอกนะมันจะมีไปได้ยังไงสึนามิมาเห็นในในหนังนันนะ่นะก็มีการเตือนแล้ว่าเออมันมีคลื่น หลายคนก็ยังเฉยๆอยู่แต่ว่าเผามอแกนนี่เพ่นแล้วคืนที่สูงสุนัข ก, ก็เพ่นตามเจ้าของแล้วสอดเดชานมีสัญญาณัยแต่คนในเมืองหลายคนไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่เคยได้ยินคำเตือนไปมุงดูเฮ้ยเรือทำไมมันไหลลงทะเลโอ้น้ำทะเลทำไมมันแห้งไปไกลใโอ้ชายหาดสวยเห็นวหมชายหาดสวย ไปเดินเล่นกันดีกว่าเก็บหอยเก็บปูเก็บประการังโน่นเคลื่อนมาเท่ากับยอดมะพร้าวเตือนก็ไม่ฟังไม่เคยได้ยินถึงได้ยินก็ไม่เข้าใจท้ายสุดก็เป็นศพยังหาศพไม่เจอกันเยอะโรงพยาบาลก็มีคำเตือนเหมือนกันพรุ่งนี้จะผ่าตัดวันนี้ต้องงดอาหารนะ วกนี้จะเจาะเลือดวันนี้เรางดน้ําแล้วนะแต่จะมองสิบสองชัมงก็เตือนกันอย่างนะอันนี้พูดถึงว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังผู้รู้ก็เตือนผู้ใหญ่ก็เตือนโดวยว่าพู้เจ้าเตือนจะเชื่อไหมภัยร้ายในตัวเนี่ยก็คือความคิดของเราอันนี้วงการนาไมโลกก็เตือนอีกว่าความคิดของเราเนี่ยสามารถดี ก, ก่อภัยให้เรา ผู้หญิงฆ่าตัวตายมากเลยเป็นดับหนึ่งอ่าดับ1เลยผู้ชายในตายมาเป็นดับ2ก็เท่ากับตาส่วน2ต่อ1นึ<ม> 1> ส่วนผู้ชายในตายสําเร็จ<ม>เป็นอันดับ1เลยส่วนผู้หญิงตายเป็นอันดับสอง2ต่อ1กเหมือนกันผู้ชาผู้ชายฆ่าตัวตายด้รุนแรงวิธีการเขก็เตือนเลให้ร่วมกันรณรงค์วันที่13บามกันยายน เป็นวันที่คนทั้งโลกเนะี่ยต้องป้องกันการฆ่าตัวตายโลกช่วยกันหลนกระลงหน่อยประกาศมาชัดเคยได้ยินไหมกระลนกระลงกันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกประเทศไทยนีนจังหวัดลําพูนะสถิติหลายปีต่อกันไวตายเป็นระดับหนึ่งปัญหาก็ครัวล่มสลายปัญหาปัญหาหนี้สินเศรษฐกิจลากย่าปัญหา เป็นโรคสุขภาพไม่ดีนะ <c oughs> ปัญหามากมายแล้วเกินความรู้น้อยแต่มาหากินสู้เขาไม่ได้ซึ่งสังคมมันเปลี่ยนไปไวมากต้องทันเกมนะท้ายสึดกอยู่บ้านเก็บตัวเงี้ยเป็นโรคเศร้าซึมเบื่อเซ็งท้ายสุดเครียดค่าตัวตายอย่านงะเนี้ยเนี่ย เ, ยเยขาเตือนเราก็ต้องระวังนั่นแหละวันนี้ไม่คิดวันหน้าไม่แน่ หลายคนตอนมีความสุขก็ไม่ได้คิดว่าจะตายหรอกนะแต่พออยู่ๆเทวดาตกสวรรค์วูบ ล, ลงมาตุบนลกชัดๆกั้งคืนเมียนอนเราเอาปืนยิงหัวจ่อเลยเปี้ยงตายเป็นข่าวไปเยอะแล้วลูกเปี้ยงตายหนึ่งศพสองศพแล้วทายสุก็ส่องมาหาตัวเองเปี้ยงตายนก็คือภายไล่ในตัวมันทำงานก็มันอยู่ ทนี่มีตัวแก้อยู่คือวันที่สิบสามกันยายนเหมือนกันนะมันเป็นวันหลวงปู่เทียนนะหลวงปู่เทียนจิตตโพเนะีนะ่ยก็มาน้อมระลึกถึงท่านบุญคุณของท่านนะปฏิบัติบูชากันวันที่สิบสามกันยายนนะเป็นวันที่ให้ทุกคนออกมาจากความคิดนะนะมนุษยชาติทั้งโลกนะออกมาให้มาลูกศึกตัวนะก็ได้ยินไหมก็ไม่ได้ยินอีกแล้วนะ แต่มาได้ยินมาทั้งหมดนะเรื่องราวเ น, นี่ยมาสื่อต่อกันบนะองที่มีคําเตือนต่างๆมากมายแล้วกันนะแต่เราก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังถึงได้ยินได้ฟังเราก็ไม่เชื่อศนะรัทธาไม่เกิดศรัทธาไม่มนะีมันก็จะต้องนะเหมือนกับว่าไหลไปตามความคิดของเราที่เราเคยเป็นจริตนิสัยต่างๆที่ถีมานะนะเราก็จึงเนี่ยเเปิดหูเปิดตาเปิดเนื้อเปิดตัวเปิดกายเปิดใจของเรา ยอมรับฟังฟังแล้วก็น้องก็มาใสตัวเออกายก็เรามีอยู่เรียกว่ารูปธรรมถ้ารู้ไปรู้มาจะเป็นรูปธรรมจิตใจคิดนึกปรุงแต่งนะเป็นนามธรรมความคิดนี่เป็นนามแต่เป็นรูปด้วยภาษาธรรมะเรียกว่านามรูปถ้าเราดูทานความคิดนะจะได้ต้นทางของพลันิพานเห็นความคิดนะ เป็นประตูของพลันิพานอยู่ตรงนั้นเลยก็คือจิตจะปกติความคิดทำให้จิตเราไม่ปกติคิดแล้วโกรธคิดแล้วกุ้มคิดแล้วกลัวคิดแล้วกังบนคิดแล้วก็ลังเลสงสัยคิดแล้วกักคิดแล้วะชังคิดแล้วกระสุขคิดแล้วกระทุกความคิดของเรามเป็นอย่างนั้นพอเราเห็นมันมันก็ไม่ได้ก่อจนทั้งเป็นไฟลามทุ่งแล้วก็ท้ายสุดก็คือไม่หมดมันไม่หมดเนื้อหมดตัวก็คือมันไม่หมดเลย มีอะไรก็ไหม้หมดเนื้อหมดตัวก็บอกว่าไฟไหม้บ้านเนี่ดีนะดีมันดียังไงอย่างเมื่อเร็วๆนี้มีพระอยู่รูปหนึ่งพระวัดเนี่ยพ ร, พระรูปนี้เป็นชาวคลิตศนะนับถือคลิศมาก่อนเป็นบาลหลวงมาก่อนได้เลยนะแล้วก็มาบวชอยู่ที่นี่มันไปเกิดศรัทธาตอนที่ไปิบัติที่เชียงใหม่กันแล้วก็ตามมาบวชที่นี่พอบวชแล้วก็ตั้งใจบวชอยู่ที่นี่สักพักก็ไปผู้หลง แล้วก็อยู่มาวันหนึ่งก็ปรากฏไฟไหม้ที่บ้านเป็นบ้านสองออสามชั้นสองห้องบ้านทําพวกเทียนไขพวกนั้นะเป็นเทียนสปาสีแดงสีเขียวสีอะไรเทียนสปาไฟไหม้บ้านเรียบเลยก็ยังบอกเออโชคดียังเหลือที่อยู่แต่ถ้าผีพันนันเข้าสิงเนี่ยไม่เหลืออะไรนะจะหมดเนื้อหมดตัวนะผีไายในตัวผีพันน่ันไลย เป็นความคิดที่เกิดจากความโลภอย่างเงี้ยหรือบางทีไม่ได้โลภอะไรมากเพียงแค่ไม่ได้หลักของชีวิตมันไม่มีกรรมฐานนะการเคลื่อนการไหวความรู้เนื้อรู้ตัวมันไม่มีก็ใจไม่มีที่พึ่งก็ไม่อิ่มก็เสี่ยงโชครุนให้อินโดฟินมันหลั่งไปวันๆนะซื้อหวยบ้างบางทีก็ได้รุนรัฐบาลก็ประกาศเลยว่าทำให้คนสุภาพจิตดนะีมีประโยชน์อยู่ว่างั้น แต่จริงๆมันใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าเราสามารถที่จะมีความสุขมากกว่านั้นนะสุขที่เกิดจากจิตของเราที่มันรู้สึกตัวแล้วเป็นปกติแต่ว่าหายพบกันแล้วกันนะทำให้ถึงมาทำถึงก็ถึงทำนะวัตถุนึกสองสาที่มาส ก, กิดนะทำให้สารเอ็นโดรฟินมันหลังนะมันแค่สุขสมอยากนะสุขเผาสุขจีเท่านั้นเองนะแต่สุขที่จิตมันปกตินะมันอยู่แนสุขเนืทุกตัวนี้มัน มันยั่งยืนและมันใช้ได้จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายก่อนตายแล้วก็มีความเชื่อว่ามีความเชื่อว่าเมื่อชาตินี้เรามีความเป็นปกติเชื่อว่าชาติหน้ามันก็ไม่มีเหมือนกันเนือเกิดเนื้อแก่เนือเจ็บเนือตายมีความเชื่ออย่างนี้เลยพบชาติเกิดที่ความคิดของเราเมื่อในความคิดมันไม่มีพบชาติอยู่ก็เชื่อว่าชาติหน้ามันก็ไม่มีเหมือนกัน ใครที่เคยคิดจนเป็นนิสยัยพูดจนเป็นนิสยัยทำจนเป็นนิสยัยเรียกว่าอาจินตกรรมทำจนเป็นนิสยัยความเคยชินอาจินตกรรมเป็นอาจินนะก็เชื่อว่าขณะที่กำลังจะหมดลมหายใจเห็นะ <He ard S 2> มาเยอะแล้ ว, ลวมันจะเกิดคตินิมิตขึ้นมาแล้วจะเกิดอาสัญญกรรมขึ้นมา คตินี้มิจะเกิดนิมิตที่เราเคยทำํำกันเช่นคนเคยตีไก่พยาบาลคงจะเห็นนะประเดี๋ยวเราเอามือมาจิกกันเดี๋ยวก็ร้องแบบหมูคนที่ฆ่าหมูฆ่าวัวฆ่าไก่ร้องแบบวัวแบบไก่คนที่ดำนาก็ยังดำนาอยู่เวลาใกล้ตายนี่เคยเจอแต่ตัวเองมาแล้วคนที่เคยทําไม่ดีก็โอ้ยโอ้ยเคยเจอมาแล้ว กลัวแล้วกลัวแล้วแมวแล้วแมวแล้วคนอยู่วัดที่นี่น่าจะฝึกสติตอนที่สุดมาตายเห็นต่อหน้าตาตาค้างร้องกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วแมวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วต้องช่วยเหลือกันเวลาใกล้ตายเห็นออกไลไม่ต้องอะไรช่วยหรกเรอกพยายามเข้าถึงความรู้สึกตัวจนกระทั่งทำเป็นทําเป็นเมื่อวานหลวงพ่อเขียนท่านก็คุยไว้ให้กับ เทพดีคมนาไม้ให้ฟังว่าเนี่ยหลวงพ่อเป็นมะเร็งไม่กลัวเลยกรรมฐานดีมีกรรมฐานดีคุยอวดเลยแหละเป็นภาะกรรมฐานเพื่อนดีเถี่ยงคันก็คือโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยคือบ้านเกิดเวลาไปโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยขอหมอนอนหน่อยนอนหน่อยขอนอนที่บ้านหน่อยสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็ยังดีทันไหวกันนะท่นแจ้งแจ้งเกิดใหม่ที่นั่น โรงพยลจุลานะหมอดียาดีเพื่อนดีกรรมฐานดีรอดตายนะสบายเลยมันหายใจไม่ได้ก็ไม่งอ้อลมหายใจชีวิตไม่ฝากไม่แขวนไม่ฝา ก, ฝากความหวังไม่ก็ลมหายใจมันจะหายใจก็เรื่องมันไม่หายใจก็เรื่องมันเราไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรเนีนะ่ยล้รู้อย่างนี้รอดมาได้ไม่บอกค น, นจะไปพูดอะไรกันไมนะ่ต้องพูดเรื่องพวกนี้แล้ว ไม่ได้เป็นไปเพื่อรับสการะพวกพ้องบริวารเจ้ารัธิแต่ว่ามันเป็นเรื่องสีทองพูดกันชี้กันแล้วเราก็ลองดูน้องเข้าาใส่ตัวลองทำดูมันเป็นใส่ทำความจริงหรือเปล่าดัง <c oughs> น, นั้นเราก็มีครูบาอาจารย์มากมายหลวงพ่อเขียนนะีท่านก็แสดงออกอยู่เพราะฉะนั้นเราไม่ฟังอย่างเดียวถ้าคนจะฟังแล้วรีบสรุปถ้าต้องฟังตั้งแต่ครั้งแรกหลวงพ่อเขียนนะัท่านพูดอะไรจนถึงณวันนี้ท่านพูดอะไรไปฟังไหมใครบใช่ไหม ถ้าเราจะสรุปได้แต่ยูู่มาฟังแป๊บอย่าทําไม่ต้องยกมือหรอกแต่ท่านนั่งยกอยู่ทุกวันเนี่ยหมายความว่าไงถ้าทําให้ดูแ้่ไม่ได้พูดให้ฟังแล้จะเชื่ออะไรหูฟังหรือตาดูแต่คนที่ทํายังนั้งเคลื่อนไหวรู้สึกจนทังมันเข้าใจแล้วจะรู้เลยที่มาที่ไปคืออะไรเพราะน่ามาชวนทํางานเพื่อให้ได้ตังค์จะไม่ชวนให้ท่านใช้ตังค์จนหาเงินน่ยมีงานมากมายเหลือเกินงานกระปฐาน อันนี้คืองานที่จะทําให้สติเกิดขึ้นมาเดินจงกรมในรูปแบบนี้คืออาชีพหลักส่วนอาชีพรองก็คือคุณจะทําอะไรก็ใส่ความรู้สึกตัวไปด้วยอาบน้ําอาบท่าแต่ว่านั้นแยบคายนะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เ, เรื่องตรงนี้เรื่องแยบคายลึกซึ้งทีเดียวไม่ใช่เรื่องลึกลับนะแล้วคนที่มีสติมีปัญญาแล้วก็มีศรัทธามีความเพียรแล้วก็ไม่ เคยที่จะทําสังกเพศมาไม่เคยเพระมาตีกันในหัวนะพระวัดนั้นวัดนี้วัดโนหรือว่าเอาพระในวัดน่ยวัดนั้นวั ด, วดเอพระในวัดนี้รูปนี้ดีรูปนี้ไม่ดีรูปนี้ปฏิบัติใช่รูปนี้ไม่ใช่พวกนี้ไม่รู้ทําหรอกบอกให้คำเดียวเลยสังกเพศให้รู้ไว้ด้วยพระเจ้าชี้ไว้ชั ด, ดว่าสังกเพศนะทำให้พิษสงพิษสงแตกกันนะมันไปไปถึงไหนหรอกคราวนี้เราไม่ได้แสดงออกทางกายวาจาแต่เราแสดงออกในความคิดในหัวเรา เวลาปฏิบัติต่อมาก็คือคนที่บรรลุธรรมไม่ได้นะฆ่าพ่อฆ่าแม่เคยฆ่าพ่อฆ่าแม่มาไหมพวกเราเคยสายเข่แช่งพ่อแม่ในความคิดไหมถ้าเราเหมือนกับลังเกียดพ่อแม่ตำหนิพ่อแม่นะถ้ากระทำสังฆเพทในหัวนะกลับมารู้สึกตัวให้หมดเลยรู้สึกตัวมันช่วยให้เราเหมือนกับว่าไม่ต้องทําสังฆเพศ ถ้ามีสติมันก็ผ่านทันทีผ่านทันทีเหมือนกับเทวทัตกลึงหินทําให้พระเจ้านะห่อผ้าโลหิตพรนะเจ้ากระตัดไว้เลยนะบนรรลุธรรมไม่ได้ชาในท้ายสุดธรณีสูบอย่างนี้เป็นต้นตามพุทธประวัติเร า, าเชื่อว่าพุทธประวัติก็ไม่โกหกหรอกธรณีสูบเมื่อโยงมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยรู้ไหมคืออะไรธรณีสูบดอนลุมสกรรมก็กระทืบกระทืบกระทืบกระทือบจมดินเอาว้นะ การนี้กระทือบโดยการใช้วาจาก็มีรวมหัวกันแล้วก็กระทืบก็มีกระทือบด้วยความคิดด้วยชุมชนหรือว่ากระทืบแบบให้เห็นเห็นและใช้กําลังกายเต็มที่นางมันจะวิกายนะโดนกระทืบอย่างเงี้ยพวกนี้ที่ผูทธรณีสูบธรณีสูบอันนี้คือความคิดความเห็นของอาตมาเองนะก็รับผิดชอบอยู่ในคําพูดต่อมาคือคนที่บรรลุธรรมไม่ได้คือคนที่ฆ่าพระองค์ ใครก็ตามที่ฆ่าพระเจ้าบรรลุธรรไม่ได้หมายถึงว่าท่านพูดแล้วไม่เชื่อแล้วท่านพูดแล้วไม่เชื่อพระเจ้าพูดความจริงเนี่พูดสัจธรรมพุทธะคือภาวะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเท่าระกฆเราฆ่าภาวะของพูทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เท่ากับฆ่าความรู้สึกตัวเท่ากฆ่าตัวสติปัฏฐานคนไม่ฝึกสตีอะไรคือคนที่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้เข้าถึงไม่ได้เลย วันนั้นเย็นี้ก็พูดให้ฟังเพื่อเป็นการใกล้ๆกับว่าเสริมต่อเป็นสิ่งแวดล้อเป็นส่วนประกอบแล้วก็เป็นวัดปฏิบัติกันมาอย่างนี้แหล ะ, ะก็คือเป็นการฟังเทศฟังธรรมหลังจากทําวัดสวดมนต์ที่นี้มีหลวงพ่อกรมวันนี้ท่านไปทําฟั น, นแล้ท่านก็บอกว่าปลดเกษียณปลดเกษียณปลดเกษียณก็รอจังหวังให้เราได้เหมือนกับว่าปฏิบัติใหได้อารมณ์สักหน่อยว่าท่านพูดถึงอารมณ์ปฏิบัติ เรรู้สึกเนี่ยทไมได้พูดเรื่องอื่นเลยถ้าที่ฟังฟังดูที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยนั้นก็ขอให้เราได้น้อมนำเอาสิ่งที่ดีในฟังปฏิบัติกันแล้วก็ขอให้นะการปฏิบัติของเราทั้งหลายนะก็จะเป็นไปเพื่อการทําที่สุดแห่งทุกข์สมควรแก่การปฏิบัติโดยตัวนาะการทุกข์ตั้ทุกคนตั้งเตือน